ท่านฟังกำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันนีสนทนาซึ่งดำเนินรายการโดยสรนนินฐานาคพงนะคะเราผ่านช่วงต้นของรายการมาที่มีท่านมาร์คหรือว่าพระม้าชาคาวโรแห่งวัดนา ป, ป่าพงหลําลูกกาคลองสิได้นําปฏิบัติธรรมและอ่านพระสูตรให้ท่านฟังแล้วเดี๋ยวฉันได้ยินมาว่านับตั้งแต่น้ําท่วมกิจกรรมสนทนาธรรมข้ามวันเสาร์ของวัดนา ป, ป่าพงได้หยุดพักไปเนี่ยจะกลับมาใหม่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง ในวันสุดท้ายของปีนะคะคือวันที่สาสิบเอ็ดธันวาคมก็ประกาศให้ท่านที่คอยได้ทราบโดยทั่วกันตอนนี้รายการสัมมนิสนทนาจะนำท่านมาสู่อีกช่วงหนึ่งนะคะคือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเรามาพบกับพระอาจารย์ประจำของเราคือท่านไัยบูลหรือว่าพระไัยบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะน้ัสกานะคะเชิญานวันนี้ อยากจะกลับเรียนถามท่านว่าที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวั ด, ดอุดรธานีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวัดป่าเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าพระสงฆ์ที่วัดนี้เป็นพระสงฆ์ธรรมยุทธ์หรือว่าเป็นพระสงฆ์มหานิกายคะอ๋อที่วัดป่าดอหนหายโศกเป็นเป็นธรรมยุทธ์ อ, อยู่ในนิกายธรรมยุทธ์ท่านคะคือที่ถามอย่างนี้เนื่องจากว่ามีการตอบคำถาม ถึงบางวัดที่ได้ชื่อว่าวัดป่าเช่นเดียวกันบอกว่าอ๋อแต่อย่างวัดนี้เป็นวัดมหานิกายอื่อดิฉันจะรบกวนท่านเกินไปไหมที่จะถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารของสงฆ์เนี่ยค่ะอ๋อได้ได้เช่นนั้นว่าไม่ใช่ว่าวัดป่าทุกวัดจะต้องเป็นธรรมยุทธ์หรอคะไม่จําเป็นคือหมายความว่าวัดป่าเนี่ยนะก็แล้วแต่คนจะตั้งชื่อเอาอนะ่กรณี้ว่า ค, คนที่เขาไปเจ้าวาดหรือพระองค์นั้นหรือว่าครว่าที่เขาถวายที่ เป็นเป็นป่ามาก่อนมันก็เลยเขเลยใช้ชื่อวัดป่าอย่างเงี้ยจริงๆถ้าจะเป็นวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายถ้าคุณมีคือความเป็นพระมันอยู่ที่ศีลอยู่ที่ศีลอ่าแล้วเรื่องวัดป่าวัดบ้านอะไรต่างๆก็มาที่หลังจากคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นอคือไม่ต้องสนใจว่ารูปแบบเป็นอย่างไรคือคือสมัยนี้เขาจะสนใจกันไง เขาจะสนใจในเรื่องพวกนี้กันจริงๆแล้วคุณจะต้องมาสนใจเรื่องสิ่งที่เป็นพุทธวจนะคำสอนพระเจ้าโดยตรงมากกว่าค่ะค่ะที่ความหมายของท่ันก็คืออย่างนั้นนั่นแหละค่ะอย่าไปสนใจในรูปแบบให้สนใจว่าท่านสอนอะไรแล้วที่นี้ว่าอย่างการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันไม่เหมือนกันการบริหารจัดการคณะสงฆ์ก็จะเหมือนกันไม่เหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องยากกัน ท่านเป็นบุญครทีนี้เอเด็ดิฉันจะถามคำถามที่ตั้งใจจะถามท่านเป็นคาถามที่สามที่ส่งไปก่อนได้ไหมคะนี่ยได้้เพราะว่าท่านพูดดูเหมือนกับว่าไม่ต้องไปสนใจแต่คาถามที่ถามเนี่ยมันถามว่าเทรวาสกับมหายานเนี่ยต่างกันอย่างไรเห็นวิธีการต่างๆไม่เหมือนกันการแต่งกายการสวดมนต์การใช้เครื่องดนตรีประกอบหรือไม่นะคะในขณะที่เราก็เข้าใจว่า เป็นพระพุทธศาสนาที่ต่างนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอืมอย่างนั้นถูกไหมคะความเข้าใจ ก, ก็ทุกคนก็บอกว่านับถือพระพุทเจ้าเหมือนกันน ะ, ะใช่ใช่ทีนี้คําถา ม, มนะคะจะถามว่าแล้วเป้าหมายในการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันหรือไม่ในเมื่อปฏิบัติต่างกันที่เราเห็นโดยรูปแบบข้างนอกเนี่ยนะคะ ถ้าสมมุติเกิดหวังแบบเดียวกันจะเดินทางไปถึงปลายทางเดียวกันหรือเปล่าเพรออาะบางคนอาจจะชอบแบบโอ้ยมีเสียงดนตรีจะเปลี่ยนไปปฏิบัติตามแนวนั้นดี ก, กว่าก <thieves. S 1> ็ต้องตามอริยมรรคมีองแปดต้องตามสิ่งที่เป็นพุทธวจนะอะไรถ้าท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปดก็สามารถทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพานได้ทีนี้ว่าเราเรามันเป็นอย่างไงคุณยมเตี๋อคืออย่างหลังจากที่พระพุทธเจ้า ป, ปรินิพพานแล้วเนี่ย มันก็จะมีความเห็นต่างๆอะไรกันไม่เหมือนกันนะสาวกก็แตกกันไปเป็นนิกายนั้นนิกายนี้นี่คือเป็นประวัติศาสาตร์ของพุทธศาสนาละอันนี้เป็นเรื่องหลังจากที่พระพุทธเจ้าปริญิาผานละซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเธอควรจะต้องสามาัคคีกันนะไม่ควรจะต้องแบ่งแยกกันนะในลักษณะนี้ทีนี้ว่าในการแบ่งแยกที่แบ่งๆกันมาเนี่ย ในสมัยนี้มันตกมาถึงสมัยนี้แล้วเนี่ย เ, เรื่องที่ผ่านไปแล้วเราแก้ไม่ได้ละในสมัยนี้ก็จะมีแบ่งเป็นใหญ่ๆในคำสอนพระเจ้านะที่บอกว่าฉันนับถือพระเจ้าฉันนับถือพรเจ้าเนี่ยก็จะมีมหายานเทราวาสและก็วชิระยานหนึ่งมหายานก็คืออย่างพระจีนหลงจีนเป็นต้นเทราวาสก็มีเมืองไทยพมา่าพวกนี้เป็นต้น<ม>ลังกาสี่ลังกาพวกนี้เป็นต้นแ ล, แล้วก็วชิรยานนี่ก็พระทิเบตนันแต่ลาลามะ ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณบอกคุณนับถือพระเจ้านะคุณต้องปฏิบัติตามบรรยามรรยมิยองแปดนะทีนี้อย่างเรื่องดนตรีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพระเจ้าให้เล่นดนตรีไหมพระสง์ไม่ให้เล่นนะเครื่องดนตรีอะไรต่างไม่ให้เรียนไม่ให้เรียนขับรถไม่ให้เรียนเล่นเครื่องดนตรีพวกนี้แล้วก็ถ้าบอว่าดนตรีที่อาคุณมาเล่นได้ไหมเล่นแล้วไปฟังได้ไหมการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุโสรธรรมนี้ก็ไม่ให้ดู ทีนี้มันจะมีประเด็นอย่างนี้อย่างสมมุติอย่างเช่นว่าเปีย โ, โนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมนะถ้าคุณไม่กำหนัดในเสียงนั้นแต่ว่าพอเราฟังเสียงเปียโ น, โนหรือเพลงบรรเลงอย่างเงี้ยคุณยมติว๋วบางทีเราจิตเราสงบนะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมอย่างหลายๆคนฟังดนตรีคลาสสิกอย่างเงี้ยจิตมันนิ่งลงไปเลยเอ๊ะมันคืออะไรนะอันนี้ตอบให้ได้เลยเป็นพุทธวจนะด้วยว่าคือปีติหรือสุขหรืออุเบกขาก็แล้วแต่ที่เป็นอามิตรนะพระราชาพูดถึงปีติหรือสุขเนี่ย ที่เป็นอามิต h ที่ไม่เป็นอามิตรที่เป็นนิรามิธยิ่งกว่าเป็นนิรามิธก็ม <Okay. S 1> ีนนี้จะเป็นประเด็นถัดไปแล้วนะคือหมายความว่าถ้าเราฟังเสียงได้ยเห็นรูปพวกเนี้จากกามคุณห้าแล้วจิตเรามีปีติอันเนี้ยเป็นปีติที่เป็นอามิต h เพราะต้องอาศัยหูมาล่อคุณต้องเอาดนตรีมาล่อจิตคุณถึงจะสงบ <Okay. S 1> นะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาปิดดนตรีไปซะแล้วจิตที่สงบเนี่ยคงอยู่ได้ไหมคงอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ อันนี้แสดงว่าเป็นปีติที่เป็นนิรามิตล่ะนิรามิตคือไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อเราส่งได้เองใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่เขาใช้ก็ก็ก็ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าดีที่สุดดีดีที่สุดก็คือคุณไม่ต้องใช้เครื่องล่อคือดีนิ้วพุ้วจิตเราเข้าถึงปีติสุขได้เลยก็คือคือนิรามิตว่าใช่โดยที่ไม่ต้องมีอามิตมาร่อคือบางคนไม่เป็นอย่างนั้นพอดนตรีหมดปุ๊บจิตเลยทันทีดนตรีชั้นไปไหนเต้นขึ้นมาเลย อันนี้ไม่ได้นี่แสดงว่าคุณยึดติดกับสิ่งนั้นมากเกินไปหากว่าบางคนจะเป็นคนที่โหตลอดชีวิตมีความสุขเห็นนะคะบางบ้านเนี่ยค่ะจะมีลำโพงระบบเสียงดีมากในทุกห้องเลยแม้กระทั่งห้องน้ำนะคะคือต้องมีเสียงคลาสสิกเนี่ยขับกล่อมแล้วก็เลย ทำให้เวลาปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เป็นเครื่องมือก่อนอืมก็ไม่เป็นไรใช่งไหะท่านแล้วค่อยๆปล่อยมันไปเ อ, อ, เ อ, อก็ถ้าคุณปล่อยวางได้ในในสุดท้ายมันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องควรทําอ่ะแต่ถ้าทําได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยตั้งแต่แรกก็ไม่เสียเวลาใช่เพราะถ้าเกิดไฟดับแล้วจะทำยังไงอพระอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีไฟฟ้างี้จะบรรลุนิพพานได้หรอมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องตอบคําถามไปอีกนะค่ะแต่ที่ฉันอยากให้กําลังใจค่ะบางคนบอกโอมันยัง ขอที่หนึน่งนะช่วง แ, แรกๆให้เรียนรู้จากวิธีทําทจิตให้สงบในเบื้องต้น อ, อย่างนี้ก่อนแต่ถ้าฟังพุทวจนะแล้วขอให้ทราบเลยว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่ามันก็มีแหละแต่ว่ามันยังอิงอามิตรอยู่ออนะคะถ้าต้องคือต้องอาศัยท่านใช้คําว่าจากกรรมกุลจากกรรมคุณห้าอะอ่ะมาเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมขออนุญาตนะคุณยงค่ะนิมนต์ท่านเลย ค, ะคะ่ะคือเหมือนกับว่ายาพิษเนี่ยอ่ะมาบอกอันนี้ยาพิษนี้กี่ละตายนะ เขาบอกแต่มันหวานนะขอกินหน่อยไม่ได้เหรอล้วก็บอกงั้นกินนิดหนึ่งก็ได้พอไม่ตายอ่าคือถ้าไม่กินแล้วจะตายกินมากๆก็ตายเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่กินแล้วจะดิ้นตายเดี๋ยวนี้เลยงั้นคุณกินนิดหนึ่งกแล้วกันพอที่คุณจะไม่ตายเพราะฤยาพิษค่ะ ก, คคก็ค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปการตัดสินใจเป็นของท่านนะคะรายการของเราโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยถือว่าถามเป็นหลักการ เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยใช้วิจารณญาณของตัวเองเพราะวิธีการแบบนี้เนี่ยถือว่าถูกต้องตามธรรมของพระศ า, ษ า, ษาสดานหมคะวิธีการที่ว่าฟังพิธีกา ร, รในการที่ให้คนรู้หลักการแล้วก็เหมือนก็ไปพิจารณาไตรตรองก่อนจะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งด้วยตัวอเองใช่บทพยัญชนะที่จํามาถูกนะ่ะมติกาที่มีการสืบทอดมาอย่างถูกต้องเนี่ยจะทําให้พระศาสนามตั้งอยู่ได้นาน เพรเราต้องบอกสิ่งที่เป็นคำสอนพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าพูดไปอย่างนี้นะแง่มุมเป็นอย่างนี้นะอะแล้วคุณทํำไหมล่ะถ้าคุณทําคุณช่วยพระเจ้าบรรลือเสียนาถ้าคุณไม่ทำนะคุณก็ช่วยมันให้มันเสื่อมไปเร็วอืค่ะนะคะทีนี้ดิฉันก็ไม่อยากติดค้างคําถามของท่านที่ได้ส่งคําถามไปที่พิลธรรมะ .com/106 ซึ่งเราก็จะประกาศในรายการนี้กันอยู่ตลอดเวลานะคะว่า โอ้ให้ส่งมาที่นี่ที่นี่นะก็จะได้ส่งกันบ้านกันไปเลยค่ะคำถามนี้เป็นคำถามของท่านฟังชื่อคุณวันรัตวันรัตค่ะอบอกว่าการทำร้ายตนเองจนถึงแก่ชีวิตบาปไหมคะมถ้าบาปตายแล้วจะไปไหนและคนที่อยู่จะทำบุญอะไรให้เขา จึงจะทําให้เขาพ้นทุกนั้นได้โอ้โหประเด็นนี้มันมีหลายประเด็นแล้วก็แต่ละประเด็นนี้ตอบยาวแล้วเกินะเอาทีละอย่างก่อนค่ะทำร้ายตัวเองจนถึงชีวิตบาปหรือไม่บาปแน่นอนนะบาปแน่นอนฆ่ามดยังบาปเลยค่ะฆนะ่าวัวก็บาปแล้วไม่ฆ่าคนจะไม่บาปค่ะฆนะ่าตัวเองก็คือเหมือนกับชีวิตเราเหมือนกันนะก็เป็นคนเหมือนกันเป็นฆ่า ค, คนเองก็คือเหมือนปฏิบัตินะก็บาปเหมือนกันแน่นอนทีนี้บาปแล้วจะไปไหนเนี่ยนี่เป็นประเด็นที่สอง บางคนทําบาปก็ไม่ไปนรกก็มีบางคนทําบาปนิดนึงไปนรกก็มีบางคนทําบาปนิดนึงเท่าการแต่ไม่ไปนรกกลับไปสวรรค์ก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่แน่ก็อยู่ที่ว่าคนนั้นก็มีบุญมากหรือบุญน้อยเท่าไหร่นะเราก็จิตสุดท้ายนั้นเขาไปเกาะเกี่ยวอยู่ที่สิ่งที่เป็นกุศลหรือสิ่งที่เป็นอกุศลนะก็จะจะเป็นเรื่องที่พยากรณ์ยากเอ่อหรือแม้แต่พระอาหารหันต์ที่ที่ฆ่าตัวตายก็มี ท่านกเคยคุยเป็นรายการพระช น, นะที่เป็นคนละบช น, นะกับคนที่รูปที่พาพระรูชาออกบวชน ะ, ะแล้วก็เรื่องการฆ่าตัวตายนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่พุทธญาตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาลองคิดดูท่านผู้ฟังลงคิดดูว่าคนที่ฆ่าตัวตายจิตเขาอาฆาตไหมหรือเขาฆ่าแบบง่ายดายไหมหรือว่าเขาเตรียมการยังไงเราก็พอที่จะเดาได้นะอย่างเช่นว่าเขาในชีวิตของเขาเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอย่างเงี้ยนะ มันก็พอที่จะเดาๆได้หลักการก็คือว่าแค่จิตสุดท้ายเขาไปอยู่ที่ไหนนะครับพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าอย่างคนที่ทําดีดีๆมาตลอดชีวิตอพอสุดท้ายทําชั่วนิดหน่อยกลับไปนรกก็มีอืหรือว่าคนที่จิตใจอาจจะไม่ค่อยดีมีบุญน้อยอะทําบัพกรรมนิดเดียวก็พาเขาไปนรกได้อันนี้ก็มีอคือดิฉันกำเราจะถามคําถามท่านต่อเลย เสริมตรงนี้ก็เลยทำให้เราได้เข้าใจกันนะคะว่าท่านพูดนอกเหนือจากคนที่ฆ่าตัวตายพูดถึงปลายทางของอหลังจากการตายแล้ว ม, มันขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายกลับขึ้นอยู่กับฟังดูเหมือนกับว่าบุญเก่าเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะใช่บุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาอือค่ ะ, ะทีนี้ประการที่สามแล้วจะทำบุญอะไรให้เขาจึงจะให้เขาพ้นทุกได้ค่ ะ, ะสิ่งที่จะทำให้พ้นทุกได้นั้นคือต้องปราศจาก บุญแล้วก็ปราศจากบุญนะคือสิ่งที่เป็นอริยามากมีองแปดเป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมนะคือบางคนบอกว่าถ้าเราต้องการปรุงแต่งบุญนะดีได้ไหมคือได้อยู่แต่ยังไม่พ้นทุกนะคะ่ะยังไม่พ้นทุกนี่หมายความว่าบรรลุเป็นพระอาหารหันนะอคือพ้นทุกค<ะ>ํานี้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรอีกะพ้นจากนารกเหรอหรือพ้นจากกําหนดเดรัจฉานหรือเปล่าหรือว่าพ้นเป็นอริยบุคคลไปเลย<ะ>ใช่ไหมอ่า ถ้าพูดถึงพ้นจากนรกําเดิดด้วยสารเปรตวิสัยอย่างนี้คุณก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าบุญได้แล้วคุณต้องการเหนือไปกว่านั้นเป็นอริยบุคคลงั้นคุณต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาบุญแล้วก็เป็นไม่เป็นบาปนั่นคืออริยมรรคมีองค์แปดเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมค่ะอท่านอธิบายแล้วนะคะสําหรับคําว่าอาบุญคืออริยมรรคมีองค์แปดปฏิบัติสัมมาทั้งหลายให้ครบถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเลยสงสัยเอออาบุญมันเป็นยังไงแล้วก็งงนะคะ บุญก็ดีแล้วทำไมต้องอาบุญด้วย <laughs> <laughs> มันจะดีกว่าได้อย่างไร <c oughs> คือมันเป็นอย่างนี้คื อ, อยังไงก็ตามเนี่ยอริยมรรมีองค์แดนี่ก็สร้างบุญอยู่แล้วสมมุติเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะเออเราจะฆ่าสัตว์จะตบยุงมกกันมากัดเราเรานั่งสมาธิอยู่จะบีมันเออไม่บีก็แล้วกันแค่เนี้บุญเราเกิดทันทีะลูกมันดื้อมันซนเด็กมาเล่นหน้าบ้านจะด่าเขาเออไม่ด่าก็แล้วกันนั่นเราเกิดบุญทันทีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในอริยมรรติองค์แปดนะ เพราะฉะนั้นคําว่าทุกมันกินความหมายได้หลายแบบชท่านไภัยบูรเนี่ยพูดถึงแบบสุดตรงเลยสูงสุดเลยคือจะมีมันให้อย่างสิ้นเชิงแบบทางสายกลางคุณโยมติ๋วแบบทางสายกลางพอไปค่ะอคําว่าสุดโต่งไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าพูดคํำว่าสิ้นเชิงนี่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่สิ้นทุกอย่างสิ้นเชิงใช่นะคะคือเหมือนกับว่าทุกจะไม่มีอีกต่อไปแล้วถ้าสามารถทําได้ถึงขั้นอะบุญด้วยอื คือครอริยมรรตไม่องแตกวันนี้ก็คงจะน้มสักการขอบพระคุณท่านไพไบร์ด้วยทีเด็ดสิ้นเชิงและดิฉันขอขอภัยนะคะที่พูดคําว่าสุดตรงไปในศาสนาพูดกลางสุดตรงผิดต้องทางสายกลาค่ะ <laughs> <laughs> น้มสักการขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยค่ ะ, <laughs> คะท่านผังที่เคารพค่ะบางคําถามเนี่ยอาจจะเคยถามไปบ้างแล้วเช่นเรื่องค่าตัวตายแต่ว่าเมื่อมาตอบคําถามใหม่จะปรากฏแง่มุมที่ใหม่ๆอย่างดิฉันเนี่ยคำว่าอาบุญไม่คุ้นเท่าไหร่ วันนี้ถ้าจะไม่คุ้นเลยต้องแบเนี้วันนี้ก็ได้คําใหญ่ที่จะไปใช้แทนคําว่าอริยมรคมีองค์8ขึ้นมาอีกหนึ่งคำนะคะพวกเราก็รู้แล้วรู้เปล่าไม่มีประโยชน์เลยนะคะรู้แล้วขอให้ช่วยนํากันเอาไปใช้เพื่อที่พุททวจนะทั้งหลายที่เราได้เรียนรู้ไปนั้นจะได้นําพาชีวิตของเราสวัสดีและท้ดีที่สุดนะคะก็เป็นไ ป, นปนในแนวทางดําเนินตามอับุญเนี่ยพ้นทุกสิ้นเชิญแน่นอนวันนี้ส่งท้าย อยากถามคำถามแบบคุณวันรัตไปที่เพียวธรรมะ .com/106 นะคะแล้วก็ถ้าอยากขอหนังสือพุทธวัตนะพร้อมทั้งามคำถา ม, ถามทางโทรศัพท์ในกรณีที่ไม่สันทัสการใช้ใชพวกอีเมลทั้งหลายก็ส่งมาที่022690006นะคะสำหรับมันนี้ดิฉันสรรสนีนาคพง และรายการสัม ส, น, สนาขอนัดท่านใหม่พรุ่งนี้ตีหพุทธวัดสวัสดีค่ะ